ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคันห้าสำหรับให้ยกขึ้นพิจารณาทางมีปัสนากรรมฐานเพื่อให้ รู้แจ้งเห็นจริงดัวอัตภาพนี่อันที่จริงนั่นเป็นสมมติเป็นบัญญัติ ซึ่งก็นับว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นความจริงโดยสมมติหรือโดยบัญญัติแต่โดยปรมัติ์คือโดยอัถะคือเนื้อความอย่างยิ่ง คืออย่างละเอียดก็หาใช่เป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่จึงได้ตรัสสอนให้จำแนกอัตภาพ อันเป็นที่ต่างของสมมติมัญญัตว่าอัตตาตัวเรานี่ว่าเป็นขันห้าคือเป็นกองทางห้ามารวมกันอยู่ได้แก่ ก, กองรูป กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกวันนามรูปก็เป็นรูปย่อลงจึงเป็นนามรูปดังที่ทราบกันอยู่เพราะฉะนั้น จึงไม่มีตัวเราของเรามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันอยู่เวทนาซึ่งเป็นข้อสองนั้น แ, แสดงไว้เป็นข้อสองก็เพราะว่ากำหนดได้ง่าย เกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางกายทั้งทางใจคือเกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางรูปรู ป, ปรกายและทางนามกายคือทางใจจึงกำหนดได้ไง่าย และได้มีจำแนกไว้อีกในยันหนึ่งเป็นเวทนาห้าคือสุขทุกขโสมนัสโภมนัสอุเบกขาเมื่อแจกออกเป็นห้าดังนี้ ยังหมายถึงสุขทางกายทุกจึงหมายถึงทุกทางกายโสมนัสหมายถึงสุขทางใจโทมนัสหมายถึงทุกทางใจอุเบขาก็หมายถึงเวทนาที่เป็นกลางๆาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข เพราะฉะนั้นแม่แจกเป็นห้าดังนี้ก็คงย่อลงเป็นสามนั่นเองดังกล่าวมาข้างต้นแต่ว่าเมื่อแจกออกเป็นห้าสุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบคาสุขและทกุก็มีความหมายจำกัดเข้ามาเฉพาะที่เป็น ไปทางกายสสมนัตโทมนัสก็เป็นไปทางใจอุเบกขาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็น ก, กลางไม่ใช่ทุกข์ไม่ใจ่สุขดังกล่าวส่วนในที่นี้ท่านะสาริบุตรท่านยกเอาเวทนาหก คือยกเอาเวทนาสามนวเวทนาห้าดังกล่าวแล้วนั่นแหละแจกออกที่เกิดจากสัมผัสคือความกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนนกคือใจ คือยกเขาสัมผัสทั้งหกนี้เป็นที่ตั้งจึงเป็นเวทนาหกและเมื่อแจกเป็นเวทนาหกดังนี้แล้วจึงได้มีอธิบายให้ละเอียดต่อไปอีกว่า สำหรับเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและที่เกิดจากสัมผัสทางใจ ทั้งห้านี้เป็นเวทนาทางใจคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจจะเพาะข้อ เวทนาที่เกิดจากกายจะสัมผัสสัมผัสทางกายจึงเป็นเวทนาทางกายคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกาย ฉะนั้นในการพิจารณานั้นจึงให้ทำความเข้าใจว่าที่ว่าเวทนาที่เกิดจากสัมผัสในฐานฐาห้า เป็นไปทางใจย่อมมีความหมายดังเช่นว่าเมื่อตากับรูปมาประจวบกันก็เกิดความรู้รูป คือเห็นรูปและเมื่อตากับรูปและความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกวิบิญญาณทั้งสามนี้มาประชุมกันก็เดียกว่าสัมผัส ยังเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหากรูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเวทนารูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกขเวทนารูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข รือเป็นกลางๆ ก, ก็ให้เกิดทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางใจก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมีความอธิบายดังนี้เวทนาที่เกิดจากสัมผัสในทางทางห้าดังกล่าวจึงเป็นเวทนาทางใจอย่างเดียวหากยังมีปัญหาว่าผงเข้าตา ก็เจ็บหรือเอาน้ำลูบตาก็เย็นดังนี้จะเป็นเวทนาอะไรจะเป็นจักขุสัมผัสชาวเวทนาหรืออย่างไรก็ตอบว่า ในลักษณะดังกล่าวไม่เรียกว่าจากขูดสัมผัสชาวเวทนาแต่เรียกว่ากายสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายเพราะว่าผงเข้าตาก็หมายถึงตาส่วนที่เป็นกาย ไม่ใช่หมายถึงตาส่วนที่เห็นรูปหมายถึงตาส่วนที่เป็นกายจึงจัดว่าเป็นกายจะสัมผัสสชาวเวทนาเป็นไปทางกายแม้ทางหูเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน มีอะไรมากระทบหูหรือทิ่มตำที่หูก็เกิดความเจ็บหรือเอาน้ำล้างน้ำลูบผัวเย็นสบายดังนี้ก็เป็นหูส่วนที่เป็นกายเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นหูส่วนที่เป็นประสาท รับเสียงได้ยินเสียงจึงนับเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายนี่มีเป็นอันมากความที่ ได้รับความสุขทางกายต่างๆอันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องต่างๆอันทำให้กายสบายจนรับว่าเป็นสุขทางกาย ความที่ต้องกระทบกับดินฟ้าอากาศสูวนที่ให้เกิดทุกข์เช่นต้องตาแดดตาฝนประกอบการงานหรือว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆยืนนานๆหรือแม่นอนนานๆ ต็เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอาพาธป่วยไข้ต่างๆเกิดความทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาทางกายพราะฉะนั้นทุกขเวทนาทางกายก็มีมากสุขก็มีมาก แต่ที่เป็นกลางๆที่ไม่ทำให้สุขให้ทุกข์ก็นับว่าเป็นกลางๆได้ก็มีอยู่แต่บางท่านก็มีอธิบายว่าที่เป็นกลางๆทางกายนั้นไม่มีเพราะถ้า เป็นปกติจนรับวก็เป็นสุขเหมือนดังเช่นความหนาวความร้อนความเย็นความร้อนของดินาวาอากาศ ที่ร้อนไปหรือเย็นไปก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางกายเมื่อมีความร้อนหรือความเย็น ทำนวยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขสบายก็ทำให้เกิดสุขเวทนาทางกายหรือที่แม่ไม่ทำให้เกิดความสุขชัดนักคือไม่ร้อนมากไม่เย็นมาก เรียกว่าเป็นปกติก็ไม่ทําไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือไม่ทําไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างไรเป็นปกติแม้ดังนี้ก็ น, น่าจะเรียกว่าเป็นกลางๆได้จะท่านแสดงว่าจัดว่าเป็นสุขเหมือนกัน แต่ว่าบางท่านก็แสดงว่าที่มีลักษณะเป็นปกติดังกล่าวที่ไม่ทำให้นู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็นับว่าเป็นกลางๆได้ส่วนทางใจนั่นย่อม มีชัดทั้งสามอย่างเมื่อสัมผัสดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเป็นที่ตั้งของทุขกข์ให้เกิดทุกข์ และแม้เป็นที่ต่างของสุขของทุกข์ดังกล่าวเมื่อใจวางเฉยได้มีอุเบกขาได้ก็เป็นอุเบกขา ไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจหรือสัมผัสดังกล่าวนั่นเองที่ไม่ทําให้รู้เป็นสุขหรือรู้เป็นทุกข์ชัดเจน เป็นสิ่งธรรมดาสามัญก็นับว่าเป็นเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขยกตัวอย่างเช่นว่าตากับรูปมาประจบกัน หูกับเสียงมาประจวบกันคือได้ยินอะไรได้เห็นได้อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายนักหนาแต่ที่ทำให้เป็นสุขหรือทำให้เป็นทุกข์นั้น ไม่ใช่ทั้งหมดในส่วนที่เห็นแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึงได้ยินแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึงมีอยู่เป็นอันมาก ในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเวทนาเกิดเวทนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลางคือไม่พอที่จะให้รู้เป็นสุขไม่พอที่จะให้รู้เป็นทุกข์ก็เฉย ความเฉยๆนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเ่อเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งและเวทนาที่เป็นความรู้เฉยๆดังกล่าวมานี้ มักจะไม่ได้พิจารณาถึงมักจะไม่ได้คำนึงถึงท่านจึงแสดงว่าเวทนาดังกล่าวมานี่เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงสุขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะความติดใจยินดีทุกเวทนานั่นเป็นทิศตัางของโทสะความโกรธแค้นขัดเขืนส่วนเวทนาที่เป็นกลางกลางกลางกล่าวเป็นทิศตัางของโมหะความหลงเพราะว่ามันเฉยเฉยและก็เป็นเฉยเฉยด้วยความไม่รู้ คือไม่ได้กำหนดพิจารณาให้รู้วันนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกันจะเป็นเวทนาที่เมื่อไม่กำหนดก็เป็นเวทนาที่ไม่รู้ ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็เป็นโมหะคือความหลงตั้งตนแต่หลงว่าไม่รู้จักว่าเป็นเวทนาส่วนโศขทุกนั่นเป็นที่ตั้งของราคะบาั้งเป็นที่ตั้งของโทสะบัางดังกลา่าวเวทนานี้ เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทําสติกาหนดเป็นเวทนานุปัสนาสติกาหนดพิจารณาเวทนาตามรู้ตามเห็นเวทนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สอง และได้มีจัดสอนเอาไว้ให้กำหนดเวทนานี้สำหรับที่จะได้ดับ ทุกขเวทนาได้อีกด้วยดังที่มีเรื่องเล่าถึงพระนางสามาวดีที่ถูกไฟ ริ้นพระชนในปร า, าสาทโดยที่มีภูริศยาจุดไฟเผาปร า, าสาท ที่พระนางได้ประทับอยู่และปิดกั้นประตูไม่ให้ออกได้ได้มีแสดงว่าพระนางได้เจริญ เวทนาปริกหกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดเวทนากำหนดรูเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกไฟเผา ร่างกายและเมื่อได้ตั้งใจกำหนดดูจริงๆก็จะมีความแยกระหว่าง กายกับภูดูภูรูคือผู้ที่กำหนดเวทนานั้นชื่อว่าเป็นผู้ดูภูรูสิ่งที่ถูกกำหนดดูก็คือกาย และเมื่อแยกออกจากกันได้อันหมายความว่าสติที่กำหนดดูกำหนดรู้นั้นมีกำลังเวทนาที่เป็นทุกข์ ยังอยู่แค่กายคืออยู่ที่กาย